โลกที่ไม่มีศาสนาะต้องเป็นโลกที่เดอดร้อนอยากไม่มีปัญหาคนไม่มีศาสนาะก็เช่นเดียวกันแยกมาเป็นโลกแล้มาเป็นคนเป็นลายเรื่องให้ความเป็นธรรมไม่มีอัน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 ดูที่มุ่ปต่เหตุต่อผลต่อทําตามพระองค์ท่านจริงๆก็ยอมรับดูที่มีสิ่งผิตขวางมีพิษมีภัยอยู่ภายในจิตใจก็ไม่ยอมรับ ก, ก็เป็นกรรมของแต่ละคนละคนดูที่มายอมรับมัเลยมันก็สุดวิสัยเรื่องให้ความเป็นธรรมจากท่านผู้สิงกิเลศ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 ยื้อแฝงออกมาเพราะไม่มีมีแต่ทําำลว้ลวนๆทำลว้ลวนนั้นให้ความเสมอภาคให้ความเป็นธรรมสม่ำเสมอไปหมดแม้แต่สัตว์ดิเรกาชันตัวเล็กๆขนาดไหนก็ตามตามที่ท่านบันดาห้ามไว้ไม่ให้ทําลายสัตว์แม้แต่อยู่ในครรภ์ให้ความเสมอภาคมาแล้วตั้งแต่ น, น้อนเห็นความสํมพันธ์ของสัตว์มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้อง แต่ว่าออกมาเป็นตเป็นตัวเป็นตัดเป็นบุคคลให้เห็นอย่างด้วยการเนื้อของเราอย่างชัดเจนนี่เลยแม้แต่อยู่ภายในคันนึกละเอียดขนาดไหนก็ไม่ให้ทําลายเป็นให้ความสมบูรณ์ภาพการที่จะมาพกแปลงเปลี่ยนแปลงไปด้วยอํานาจของจิตหรือความรู้ความเห็นที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ ใครจะว่ายน้่ยายอดว่ายดีว่ายดีขนาไหนก็คือความเร็วขนาดนั้ น, นมันงงข้างงงข้ามอย่างนี้เองข้อมูลเสศสันต์เงินขึ้นที่เฉยไม่ใช่เป็นขึ้นมาด้วยหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติที่เป็นเองกับสิ่ที่เสศสนันขึ้นมานั้นขัดกันศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือธรรมืรอเป็นสิ่งที่สมบูรณด้ยหลักธรรมชาติไม่ต้องไป แต่แปลงแก้ไขอันใดเราพูดถึงส่วนรวมทั่วๆไปคือนิยนเข้ามาถึงตัวของบุคคลเราแม้เป็นผู้นับถือศาสนาระยะใดขณะใดที่จิตทางเหินจับทมคือสติปัญญาเครื่องไข่ควรอะยะนั้นวิเลี่ยมแทรกขึ้นมาได้ผลต้องมีความรวดร้อนให้เห็นอย่างชัดเจนภายในตัวเอง ยิงปล่อยสติสตังไปทั้งวันทั้งคืนคิดไปตามนิฐากรรมด้วยแล้วก็ ย, ยิงไปใหญ่ที่ยับยั้งไม่ได้ถ้ามีสติสตังหรือมีปัญญาใ่อยควรต้านทานบ้ามตางกําลังของตนก็พอมีเหลือคือพอให้มีความสุขความสงบได้ผู้ที่มีสติมีปัญญามาก <c oughs> มีความเฉลียวฉลาด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 ในญาติเราที่เคยมาเสวยความเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็เหมือนว่าเราเรานี่สูงส่งกว่าเขาในญาติที่เขาเป็นสัตว์ก็เหมือนกับว่าเขาตันต้อยด้อยยุทธาบรรณาสักยุทธนะน์ต่างๆความเพียงเขาก็มาเสวยตามกรรมของเขาตามธรรมที่ท่านว่ากรรมนังสติยิพัชติญาดีดังหินัปปณิกังกรรมย่อมนนจแนกแก่สัตว์ให้เป็นต่างๆกันคือปนี่เรืวซามต่างกัน เป็ น, นรายไปอันนี้เป็นไปด้วยอํานาจแห่งกรรมที่ตนนั้นแหละทําไว้เวล า, าแสดงผลออกมาตนไม่ทราบว่าผลนี้เกิดมาจากอะไรจําเป็นก็ต้องเสวยไปตามนิบากแห่งกรรมที่ปรากฏขึ้นกับตัวของเราเองทังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงมีแตกต่างกันท่านมาเหตประมาทอํานาจวาสนา พ, พวกภูมิของกันและกันเพราะกําลังท่องเที่ยวอยู่ในวัตฏเด้วยกัน มีการเปลีป่ยนแปลงสูงบ้างต่ำบ้างตามอำนาจแห่งกรรมนิยมที่มีอยู่ภายในจิตของแต่ละรายหลายจัดบางตัวแม้เขาจะเป็นจัดก็ตามแต่พื้นฐานในจิตใจทของขาองอัจดีกว่ามนุษย์เป็นบา ง, งารก็ยังมีแต่ในวาระนั้นเรียกว่าเสวยกรรมตามวาระของตอนก่อนพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็อาจจะสูงกว่ามนุษย์ก็ได้มนุษย์เราอาจจะต่ำกว่าเขาก็ได้ มันเป็นไปตามเวละเล่นแต่ผู้ที่ดาเนินจิตใจให้มีหลากมีฐานไปโดยลํำดับลําดับนั่นจะมีความสูงขึ้นไปเป็นลําดับแเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าอาญาบุคคลตั้งแต่ขั้นโสดาขึ้นไปนี่เป็นผู้แน่นอนต่อความพ้นทุกข์อย่างห้าก็ไม่เลยเจ็ดชาติท่านก็บอกไว้แล้วนี่เป็นผู้แน่นอนที่จะก้าวขึ้นสู่ภูงสูงโดยลําดับนอกนั่นท่าน ไม่ได้รับรองว่าเป็นความแน่นอนแน่นอนจึงต้องมีสึงผูต่ำจัเป็งเช่นเดียวกับศาสตร์โลกทั่วไปเมื่อเราทราบอยู่จากแจใจของเราจากทำคำตังสอนของพระเจ้าที่ทรงที่แสดงว่าดึกความจัดความกินเช่นนี้เราจึงไม่วรประมาทในตัวของเราเองฉพาพอยางยิ่งเราเป็นนักปฏิบตัติความเข้มแข็ง ทางด้านจิตใจความเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะผิดขึ้นได้ในขณะ น, นี้ในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้เราจรึงไม่ควรจะปล่อยให้แต่งเมตตากรรมให้ชาตินู่นชาตินี้วันนั้นเดือนนั้นปีนี้มาตัดสินให้เราอันนั้นเป็นความผิดเพราะเมื่อวันปีเดือนหรือการสถานที่ใดๆ น, นั้นไม่ใช่เป็นผู้มารับผิดชอบเราเราเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองในเอียบททั้งสี่ อันเป็นก็ดีความตายไปในพวกใดก็ดีที่ต้องรับสุขรับทุกข์เป็นเรื่องของเราจะต้องรับโดยสินเฉิงไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสู้แบ่งรับหรือแบ่งสันสันส่นสนสวนให้มีความเมาบางจากเราไปบ้างที่อันเป็นความทุกข์อย่างนี้ไม่มีเราจึงควรเข้มแข็งพิจารณาแก้ไขผลตั้งแต่บัดนี้คิดเป็นสิ่งที่ชำระได้ชำระสัตสางให้เป็นของสะอาดได้ จากมูลทินทั้งหลายเพราะธรรมะทั้งมวลนั้นถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้าที่สะอาดผลลัพธ์ชนะสิ่งโสโครกโสโครกทั้งหลายนั่นแหละหากปรมะชำระสิ่งโสโครกภานในจิตใจของสายโลกมาได้แล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีสาวกอรหันตอาหารก็ดีไม่มีองค์ใดที่จะเป็นผู้สะอาดปราศจากมูลทินโดยความมือสุดได้เลยคือถึงความมือสุดได้เลยต้องเป็นผู้ ทีต่ตรมอยู่ในกองทุกเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่ทวไปแต่นี้ก็เพราะทำซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดอยู่แล้วผู้นำมาประพฤติปฏิบัติก็เท่ากับนำมาซักฟอกจิตใจของเราของตนให้มนนีความสะอาดขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสะอาดบริสุทธิ์เป็นที่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 เวลามีกําลังบางชาก็เหมือนจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเหมือนกันหมดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เหมือนจะมีกําลังบางชาต่อไปอยู่หรเหมือนเขจะล้มจะตายไปในขณะนั้นแล้วมันก็พื้นไปได้สโลกอันนี้จังเป็นอย่างนี้นอกจากมาจุวิสัยแล้วมันก็ตายแล้วด้วยกันทุกคนกําลังบางชาของทางกายเป็นอย่างไรกำลังบางชาของจิตเป็นอย่างไรเวลานี้เราต้องการกําลังทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้ก่อเราก็ได้อาศัยเข้ามานานคือธาตุขันธ์สกุลนการนี้ได้อาศัยเข้ามานานเน็่ขั้นต่อมาต่อมาเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้ามันก็มาทับเราเจ็บเปรีย้ยวเจ็บน้อยเจ็บที่ตรงไหนตรงไหนปวดที่ตรงไหนก็มาทับเราทับเราถ้าเรามีสติปัญญาทานันเราก็ต้านทานได้กีดกันสิ่งเหล่านั้นได้หรือหลีกเลี่ยมความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยสติปัญญาของเรา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 ร่างกาเกยเจ็บส่วนนั้นจิตก็มาทุกส่วนนี้ร่างกาเกยเจ็บน้อยทุกข์คลายจิตก็เจ็บส่วนนี้ย่อยๆนิดหน่อยเนี่ไม่เป็นอย่างนั้นจะเจ็บมากเจ็บน้อยมันก็เป็นทุกข์เลยจิตทั้งดวงนั่นแหละจิตไม่น่าจะให้เป็นทุกข์ธรรมดาของจิตที่มีกิเลสหากไม่ได้ทำละ ควนอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นทุกข์ไปทุกระยะปิตไม่มีสติจิตไม่มีปัญญากระทบมากน้อยเป็นไงก็ตามจะต้องสังสมทุกข์ขึ้นภาในตัวอย่างมากมายและอย่างรวดเร็วอีกด้วยแต่ปิตที่รับการอบรมไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเจ็บคนที่ตรงขึ้นที่ตรงไหนภายในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบตามหลักของปัญญาที่เด็พิจารณาไว้แล้ว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 ถ้าเจ็บหมดทั้งทั้งร่างก็ตามจิตใจทุกท่านไม่หวัน่นเพราะรู้ตามเป็นจริงทั้งหมดทั้งทั้งที่ไม่เจ็บท่านพิจารณารู้รอบด้วยปัญญาแล้วเวลาเจ็บก็แสดงสกิปัญาาให้ท่านเห็นเนี่ยที่ปัญญาได้พิจารณาแล้วนั่นถูกต้องดีแล้วเวลานี้ปรากฏขึ้นเช่นนี้ตามหลักของปัญญาที่รู้ไว้แล้วท่านก็ไม่หวัน่นเพราะท่านทราบไว้ก่อนหน้าแล้ว จนกระทั่งร่างกายจะทนไม่ไหวจรินท่านก็ทราบว่าร่างกายนี่จะทนไม่ไหวแต่จิตของท่านทนได้สบายไม่แล้ไม่ต้องทนเนี่ยแต่พูดถึงว่าทนตามความสมมุติจิตของท่านทนได้เนี่มัทนทุรนทุลายไปตามถ้าจะว่าทนนะแต่มันขัดที่ว่าทนจิตของท่านไม่กระทกกระเทือนไหวยอย่างนั้นถู ก, ถกต้องไั่มีความหวั่นไปตาม ผู้กเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจะมากจะน้อยร่างกายจะทนไม่ไหวก็เศร้าอาจจะทนไม่ไหวจะแตกก็เศร้าอาจะแตกแต่จิตไม่แตกนะจิตมีความสม่ำเสมอตัวตลอดเวลาทั้งที่เวีคณาเกิดขึ้นทั้งที่เวีคณาตั้งอยู่เวีคณาดัดไปหรือไม่เกิดขึ้นมีความเป็นปกติอยู่เช่นนั้นจึงเชื่อว่ารู้รอบด้วยปัญญา เนี่ยตรงนี้อ่ะตอนเอาเรื่องหัาต่อเนี่ยสาคัญมากเราพิจารณาที่เราภาวนามานานแสนนานน้านเพียงไรให้เราสังเกตดูความรู้ความฉลาดของเรากับทุกเวทนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยจิดเราเป็นอย่างไรเราทราบตรงนี้ถ้าสติปัญญารอบแล้วทุกเมื่อทุกเกิดไม่เกิดก็ตามมันทราบอยู่เป็นปกติ อันนั้นไม่มีปัญหาถึงการจาตายก็ไปเลยพระอรหันท่านถึงไม่ลําบากในเวลาตายเหมือนปุถุชนทั้งหลายปุถุชนคนสามัญเรามีโอ้โหเราหมากมากเป็นทุกข์เป็นร้อนภายในร่างกายยังไม่แล้วความไปทุกข์ร้อนภายในจิตสันมันมากมายกายกองเป็นไฟทั้งดวงเผาในเวลาความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในตัวมากมากก็ทําให้ลําบากเราไปข้างนอก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 แต่รู้ตามความจริงของธาตุของขันธ์ที่มันแสดงตัวขึ้นมามากน้อยในเรื่องทุกเวทนาจะถึงคราวแตกข่าวดับจริงจริงขั้นกระสับชัดไม่กังวลบ่นบายอแต่ก็แตกแต่เขาอยู่เมืันกับพื้ธาตุอันเดียวกันเนี่ยแต่ไปแล้วมันจะไปไหนก็เป็นเรื่องของมันขาดความรับผิดชอบไปแล้วพ้นจากความรับผิดชอบไปแล้วอีกไม่ต้องรับผิดชอบก็ฟินได้เลยนั่นแหละธรรมะอัะมพาที่เสียสานิพานหากังวลไปหมด่อเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ จะต้องได้รับท่าบกันอยู่ตลอดเวลาที่ประสาทใช้อยู่ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆทางหูทางตาทางจมูกทางเลี้ยงทางกายตลอดถึงทางใจก็ต้องนงคิดเด็ดตรงเมื่ออาศัยกันอยู่ก็เป็นอย่างนี้จึงเรียกว่อาอาสาอุปาลิเสสนิพันต์คือถึงพ ร, รมโดยสุดดีมุดไปแล้วแต่า่าขันนี้มันไม่บริสุทธิ์กับเรา ก็ต้องก่อควรนั่นก่อคว ร, น, ควร น, น, นี่ให้รับสราบมันอยู่รับผิดชอบกันอยู่เรื่อยๆไาหลับพานอนตปเป็นอยููุ่วายตลอดอสายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทุรนทุรายไม่หลงกับมันเท่านั้นนักปฏิบัติให้มีความมั่นคง่ายในใจให้เป็นที่แน่ใจตรงได้ อย่าให้เสียทีทุกขนาดไหนก็ให้ประมวลลงมาว่าทุกขเวทนาเป็นจัดจะทาอันหนึ่งหรือเป็นก้อนอย่างใจรักอันหนึ่งเท่านั้นเนี่ยความเป็นใจรักกับความที่รู้รอยู่ภายในจิตนี้เป็นคนละอย่างไม่ใช่อันเดียวกัน ร่างกายก็เป็นส่วนทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะเพราะร่างกายผิดปกติก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่รู้ก็เป็นส่วนหนึสติปัญญาที่จะนํามาใช้เพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้และเพื่อกําจัดปัดเตาสิ่งนี้ไม่มาค่าค่าวาจิดก็เป็นเครื่องมือที่เยี่ยมตามหลักฐามที่กานสอนไว้แล้วถ้าให้พอกับความต้องการ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 เปนล้วนแล้วไม่มีการไม่มีเวลาไอ้เรื่องการเรื่องเวลานั้นเป็นความคาดความหมายของจิดซึ่งก่อความกวลให้ตนต่างหากความตายจริงเขาก็ไม่มีการไม่มีเวลาของเขาเขาไม่มีกฎรรมีเกณฑ์ตั้งเอาไว้เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรานี่ชอบตั้งกฎรรตั้งเกณฑ์นั่นอย่างนั้นนั่นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ตั้งทําความสําคัญมันหมายใ น, นตั้งกฎรรตั้งเกณฑ์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่กงังวลก่อความกงวลให้เกิตนทั้งนั้น ฟูเขย่าตลอดเวลาก็คุยใจให้เราทราบในสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยตายที่ไหนตายการใดเวลาใดตายด้วยโรคอะไรนั่นก็คือเรื่องความตายวันนี้วันหน้าก็คือความตายจีตจริงๆไม่มีการไม่มีฐานที่ไม่มีว่ากับโรคอันใดเพราะจิตไม่ใช่เป็นโรคแบบนั้นเป็นโรคกิเลสต่างหากถ้าแก้กิเลสเราได้มากน้อย จิตก็มีความพักสุขสบายโดยไม่ต้องมีการมีเวลาเช่นเดียวกันจิ่งจิตที่บริสุทธิ์แล้วอาการนิกกจจิตไม่มีอะไรเข้าไปแทรกเลยให้เราจิตตรงให้ตกทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าผู้ปฏิบัติทำตรงตกที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่เป็นสิ่งสําคัญมากกว่าอื่นไอ้เรื่อสมบัติเงินทองขอ ง, ของคนนั่นคนนี่ยากนิด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 ถ้าปิดแล้วไม่หลงก็เป็นทุกข์ที่ขันห้าให้นั้นปิดไม่เป็นทุกข์แน่เวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆทางเขาเรียกว่าเวทนาขันนี่เราหมายถึงการห้านะสัญญาขันคือความจดจําทางขานขันคือความปรุงปัญญาขันคือความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูตูดตร่างกายนะรวมแล้วท่านเรียกว่า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 แลแ้วไม่ทราบว่าต <to be. S 3> ัวเองนั้นเป็นทุกข์จึงเรียกว่าเป็นของจริงแต่ละอย่างทุกข์จริงๆที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรานี้มันไม่ได้ทราบความหมายของมันนะว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันก่อทุกข์ให้แก่ผู้ใดมันก็ไม่ไม่มีความหมายตัวมันไม่รู้สึกนอกจากใจของเราเป็นหมายมันเท่านั้นสัญญาสัานขันยานความจําก็เหมือนกันมันสัตว์ปะจําสั้นขันสัตว์ปะปรุง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 แล้วก็ไม่ติดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ติดเนี่อันนี้นว่าความตายความเป็นมันเท่ากันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันและเป็นธรม ร, ธรมดาธรรมดาหรอก โ, อโอ้ให้เห็นตามความจริงแล้เป็นอย่างนั้นแต่ปีนเปียวแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โตใหญ่นะขณะที่เกิดก็ใหญ่ดีใจโอ้โหลูกเราเกิดหลานเราเกิดเป็นผู้หญิงแต่ต้องการผู้หญิงเวลาวอุย๊ยดีใจมาก แต่ต้องการผู้ชาแล้วหลานผู้ชายดีใจมากางามันเป็นเรื่องใหญ่โต น, นั้นน่ะเรื่องดีใจจะเป็นเรื่องใหญ่โตนี้เวลามันตายที่ที่นี่ความดีใจใหญ่โตความเสียใจยใหญ่โตมันก็เท่ากันเลยเห็นว่ า, น, วานี้เวลาเกิดมันใหญ่โตตายมันใหญ่โตนี่เวลาเกิดมันใหญ่โตก็จริงนะเวลาหลง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 ถ้ามีอะไรมาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงให้วุ่นวายต่อไปเพราะผู้นี้ไม่เป็นผู้วุ่นวายอีกแล้วก็สบายแสนสบายนะเนี่ยความมีศาสนาอยู่ภายในตนเรามีความหวังเต็มประตูจากการปฏิบัติของเราค้าไม่มีศาสนาประจําตนมีหาความหวังไม่ได้ก็อาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปตาม เหมือนกับโลกทั่วไปหรือเหมือนกับสัตว์ที่เขาอาศัยกินหญ้ากินอะไรอะไรตามอาหารที่ถูกกับวิสัยของเขาพอตายไปแล้วก็มัหมดความหมายไม่ทราบจะหวังอะไรมนุษย์เราฉลาดกว่านั้นนี่เวลาเราอยู่เราก็มีบ้านมีเรือนมีพ่อมีแม่มีสมบัติเงินทองเข้าของมองดูอะไรก็มีแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นถ้าจิตใจของเราไม่มีกฎมีเจนไม่มีหลัก ยึดแล้วมันก็ว้าเวิอ ม, มองพระเห็นกัดสิ น, นั้นที น, นี้มองเข้ามาจิตนี่จะอาศัยลายเก่าไปมันก็หาทางอาศัยมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราเวลาจะล้มจะตายเกิดความว้าวุ่นขุ่มโมมากมายก่อข้อจิตไม่มีหลักยึดภายใน ใ, นใจไปยึดจิงภายนอกกลัวจะตายทับทากจากสิ่ง น, นั้นทับทากจากสิ่ง น, นี้เลยุ่งไปหมดและก่อความวุ่นวายให้กับตนในวาสุดท้าก็ไปใหญ่จิตที่มีศาสนาจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตนี้ ทำเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะตนล่นบำเพ็ญมาแล้วมันมีความอบ อ, อุ่นอยู่ภายในตัวสิ่งที่เวลาที่ควรจะปล่อยมันปล่อย้มันได้โดยลํำดับๆเนี่ยส่วนภายในนี้เป็นตัวของตัวขึ้นมานี่เวลานี้เราจะอาศัยอันนี้ต่อก่อนเรายึดนั้น น, นอาศัยถึง น, นั้น น, นเวลานี้หมดวิสัยที่ไะยึดนั้นแล้วมีอันนี้เป็นวิสัยของเราเหมาะสมกับเราอย่างยิ่งก็คือความดีนั่นก็ยึดตรงนี้ตาก็สุขะโตไปเลยล้า ความมีศา ส, สนาภายในจิตใจเป็นหนังี้ไม่เสียสท่าเสียทีทั้งมีชีวิตอยู่ทั้งเวลาตายไปอาศัยทั้งส่วนธาตุส่วนขันธ์บริสัทธ์บริวา ร, ร, รทุบบัตรเงินทองก็ได้อาศัยไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่เราจิตใจก็ได้อาศัยคุณงามความดีซึ่งเป็นคุณอยู่แล้วหลบลงก่อนทั้งโลกนี้และโลกหนาเราไม่เสียสท่าเสียทีสมความเป็นมนุษย์ที่ฉลาดกว่บนาบรรดานสัตว์นี่มนุษย์เราสูงกว่าสัตว์ชุ้งอย่างนี้เอง มันจะสูงมาเพียงฉลาดแต่ไม่สามารถที่จะหาความจุให้แจกจ่ายขง้งบนอันสำคัญนี้ได้ต้องหาได้ทั้งสองอย่างที่ว่าเป็นผู้ฉลาดนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร